ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองครับขอนอบน้อมต่อพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนนะครับก็กราบขอโอกาสจากกลวมพ่กลมพระจันทร์ทรงล้วนนะครับพระจันทร์วัฒนาชัยแล้วก็กราบขอโอกาสจากพวกเราเพื่อนสาธมิกเจริญพรแม่ชี เฉลิมพรยัดโยมนะก็พวกเรามาปฏิบัติธรรมกันเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมก็คือคําสอนของพระุทธเจ้าคือคําสอนเนี่ยพวกเราถ้าเกิดเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เนาะพวกเราก็จะนึกหงุดหงิดใช่ไหมเวลาที่เหมือนกับบอกลูกแต่ลูกไม่ทำํำ ก็คงมีกันทุกคนนะบางคนก็ใช่ไหมครับพอบอกปุ๊บก็อยากให้เขาทําปับ๊บเพราะว่านั่นคือเราก็เราก็บอกว่าเอนี่เรานึกอยู่ในใจกำลังบอกสิ่งดีๆทำไมไม่ทําอีกทางหนึ่งอีกใจหนึ่งก็ใช่ไหมครับก็อยากให้ลูกได้ดีอะไรต่างๆคือตรงนี้ใจเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในขณะจิตขณะจิตนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างนั้นคือ ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตเนี่ยคือตรงเนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเนาะแบบว่าไม่ไม่มาปฏิบัติทำกันคำว่าเห็นชอบเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าความไม่เห็นชอบเนี่ยไม่ได้ไม่เห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็ไม่ชอบก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าเห็นสิ่งที่ควรจะเห็นเห็นสิ่งที่ควรจะเห็นเนื่องจากว่า สิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ดีนะ <c oughs> ก็ควรเห็นอยู่เพราะว่านั่นคือเราก็จะได้ไม่เดินเตะหินเตะไม้ต่างๆตัวนั้นก็เป็นประโยชน์อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชอบกว่า น, นั้นก็คือเราเห็นด้วยสติเนาะที่นี่สถาบันสติปัฏฐานเนี่ยเราก็จะหยิบยกเอาตัวสตินี่แหละขึ้นมาเพื่อเห็นความเป็นไปของกายเราของใจเรา ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกมาเราไม่คุ้นเคยหรือเราไม่เคยรู้เลยนะาเครื่องมือที่เรียกว่าสติเนี่ยคือเครื่องมือที่เอาไว้ดูแล้วก็ไม่ได้เอาไว้ดูนะกับเรื่องนอกๆตัวเราแต่ว่าเอาไว้ดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกายเราในใจเราเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยพอเราไม่เคยเลยเนี่ยสิ่งที่ ก็เรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยส่งให้เรามาตรงนี้ห้าวันเจ็ดวันก็ตาม <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ให้เราได้มาเรียนมาเรียนรู้เนาะมาสร้างความคุ้นเคยในการเอาสติกลับมาดูความเป็นไปในกายเราในใจเราตรงนี้ละ่ะทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวเนาะ <c oughs> ทุกครั้งที่กายเคลื่อนไหวเนาะก็เอาสติคอยดูความเป็นไปของกายนะ ทุกครั้งที่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใจมารับรู้ความเคลื่อนไหวตรงนั้นหรือเปล่า <c oughs> ก็เอาสติเนาะคอยดูความเป็นไปของใจตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นนึคือ14ครั้งเนาะใน14ครั้งเราก็จะได้ใช้สติเนาะครั้งจะดูกายก็ดีจะดูใจก็ดีจะเกิดขึ้นอะไรกับกายก็ดีจะเกิดขึ้นอะไรกับใจก็ดีเราก็ได้ใช้สติไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือ อันนี้สงฆ์ตรงเนี้ยการที่เราอยู่ตรงนี้เจ็ดวันเนี่ยเราทำอย่างเดียวก็คือเมื่อเดินจงกรมก็คือเมื่อกายเคลื่อนไหวก็อเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้มีสติคอยดูกายคอยดูใจอย่างนี้เนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้หัดใช้สติเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อเราหัดใช้สติเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนอย่างน้อยก็จะเกิดความเคยชินขึ้นมาบ้างแต่ว่าทนานองเดียวกันเนี่ยด้วยความที่หลวงพ่อเทียนน่ ท่านเองท่านก็มีความต้องการโดยตรงเนาะที่จะให้กรรมฐานเนี่ยมันเป็นไปทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านก็หยิบยกเอาความเคลื่อนไหวขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการทำกรรมฐานนั้นนั่นคือที่นี่ก็จะมีการเคลื่อนไหวทั้งก็เรียกว่าในรูปแบบเนาะจะเป็นนั่งสร้างจังหวะ14จังหวะก็ดี หรือจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปในรูปแบบแต่ว่าพอเวลานอกรูปแบบเนี่ยเราจะกลับไปกุตติเราจะไปทานอาหารเราจะไปเข้าห้องน้ำเราจะไปอาบน้ำอะไรต่างนๆานานาตรงนั้นก็มีมีความเคลื่อนไหวประกอบถ้าพวกเราเหมือนกับว่าโปรแกรมตัวเองเอาไว้ว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้และเอาสติเนี่ยคอยดูกายคอยดูใจ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้พบว่าวันทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเราเองเราได้มีโอกาสที่จะฝึกสติตรงเนี้ฝึกความเคยชินที่จะใช้สติมองมาที่กายเรามองมาที่ใจเราตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่านี่คือสิ่งที่เป็นอนิสงส์นะที่เราไม่สามารถจะหาได้ในเวลาที่เราอยู่นอกวัดเพราะเนื่องจากว่าเราจะมีภารากิจอื่นๆ แต่ที่นี่ใช่ไหมเราจะมีโอกาสทำอย่างนี้อย่างเดียวซึ่งรับรองได้เลยว่าเรียเวลาที่เราอยู่ก้า น, นอกไม่มีโอกาสอย่างนี้จริงๆเราจะหลุดเข้าไปอยู่กับความเคยชินเราจะมีงานมีการที่เราเคยชินมันจะมีล่องเดิมที่เราเคยชินมาทำให้เหมือนกับโอกาสที่เราจะเจริญสติเนี่ยน้อยเนาะต้องเราต้องเหมือนกับว่าตั้งมั่นจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า เป็นเรื่องที่ขอให้พวกเราเนี่ยได้ใช้โอกาสเจ็ดวันตรงเนี้ยให้เต็มที่กัน ม, มาอยู่กับหลวงพ่อขมเขียนครั้งแรกเนี่ยก็เรียกว่าสะดุดหูนะกับคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อขมเขียนคือเนื่องจากสมัยก่อนหลวงพ่อก็จะพูดธรรมะเช้าพูดธรรมะเย็นเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินเลยเ น, ยเนี่ยในช่วงต้นเลยเนี่ยก็คือ อย่าเอาเหตุอย่าเอาผลอย่าเอาถูกอย่าเอาผิดอย่าอย่าทำตามความอยากสามคำนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับมันขัดความรู้สึกเราหมดนะอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยอืมแต่พอเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเขาจริงจริงเนี้ยอืม เวลากินมันก็ได้กินนะเวลานอนก็ได้นอนนะแต่ไอ้เวลาที่อยากกินในเวลาที่อยากนอนมันเป็นานอกเหนือจากนั้นไปเจ้ไหมคือตรงนี้เนี่ยพอเราเป็นอย่างนี้เนี่ยการกินเนาะก็ไม่ใช่มีเพียงแค่การกินปกติการขบฉันปกติแต่มันก็เกิดมีบางเวลาที่ไม่ปกติที่ไม่ควรกินแต่อยากกินไม่ควรนอนแต่อยากนอนอย่างเนี้ย คือตรงนี้มันก็ปรากฏว่าอพอเราอย่างนี้นะพอเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการแยกแยะนะว่าไอ้ตอนที่เราควรจะกินเนี่ยคือเวลาที่ร่างกายเนี่ยเขาควรจะได้รับอาหารแล้วอย่างพวกเราตื่นมาเนาะตั้งแต่ตีสีไม่ใช่ตั้งแต่ตีสีตั้งแต่ตีสามตีสามกว่ากว่าเราจะได้ฉันอาหารเช้ากันกว่าเราจะได้ทานอาหารเช้ากันเนี่ยก็เข้าไป3ามสี่ชั่วโมงเนาะ อย่างเงี้ยพอเวลานั้นอ่ะร่างกายเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาหลายๆอย่างที่ร้องบอกเรานะว่าร่างกายควรได้รับอาหารแลวเพราะเราก็ใช้พลังงานไปพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยตรงนั้นอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็มีเวลาอาหารที่ที่ดีที่มาลองรับเนาะมาลองรับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อร่างกายรับอาหารเข้าไปก็เป็นสิ่งที่เราก็สมควร แต่เวลาที่เหมือนกับนอกเหนือจากนั้นเนาะเราก็จะเริ่มเหมือนกับว่านึกอยากกินนี่นู่นนึกอยากกินนี่นี่อย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราแยกแยะเนาะเรื่องของความจาเป็นของกายก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของความอยากทางใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นนั่นคือตรงเนี้ยคาสอนของนพเพ็ญเขียนหมกว่าอย่าลุกถ้าอยากลุกอย่านั่งถ้าอยากนั่งเนาะ สมควร น, นั่งค่อยนั่งสมควรลุกค่อยลุกตรงเนี้ยก็ <c oughs> เหมือนกันเวลาอยากจะกินก็อย่าเพิ่งกินสมควรกินค่อยกินเวลาอยากจะนอนก็อย่าเพิ่งนอนสมควรนอนก็ค่อยนอนตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเอาความสมควรเข้ามาหรือว่าเราจะพบว่าในขณะที่ตามคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยอยากจะนั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เตือนเรา <c oughs> อันนี้ยังไม่สมควรนั่ง ตรงเนี้ยนะก็คือตรวจสติเราที่มาช่วยเตือนเราอะไรเงี้ยคือพอเวลาที่เราฟังคําครูเนี่ยแล้วเราลองเนาะลองปฏิบัติ ด, ดูก่อนเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดเนี่ยคำสอนของบุรุษเจ้าเ อ, าขอากของหลวงพ่อคำเขียนนะก็บอกบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะอาลองไปทําดูก่อนตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยเวลาเอาฟังฟังไปเนี่ยลองเอาไปทําดูแลนะสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เรียกว่า จักทำใ้ใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็ดีตรงเนี้ยเราจะเห็นเห็นเห็นด้วยเครื่องมือที่เรามาเปิดใช้ที่สุกโตนี้ละบางคนอาจจะเปิดใช้เครื่องมือนี้เป็นครั้งแรกเนาะอย่างเนี้ยอย่างนั้นแต่ว่าเครื่องมือนี้เนี่ยต้องตั้งใจนะความตั้งใจจะเป็นการเปิดเครื่องมือตัวนี้อะไรเงี้ย แต่พอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเครื่องมือก็ก็ดีมากนะครับก็จะทํางานได้ทันทีนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครัเวลาที่เราปฏิบัติทำกันเนี่ย <c oughs> เราจะค่อยๆเห็นตามที่ตามเทศของหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคําเขียนก็ดีพระอาจารย์ p a i s a ก็ดีหรือครูบาอาจารย์ต่างๆที่บอกพวกเราก็ดีเนี่ยเราจะค่อยๆเห็น บางทีพอเวลาเราปฏิบัติตามทำไปอ๋อ<ท intox activated>อย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองคําว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือเราเห็นทำเนาะตามที่ครูบาอาจารย์ตามที่หลวงพ่อต่างๆแนะนําให้เราคือตรงเนี้ยนะมันจะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็จะบอกบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดคือสิ่งที่หลวงพ่อทาสิ่งที่หลวงพ่อเอามาบอกเอามาสอนก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยทำกัน พวกเราถ้าทำตามเนาะหลวงพ่อพวกเราก็จะรู้จะเห็นตามหลวงพ่อเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยสองสัมวันที่ผ่านมาเนี่ยทีพวกเราเนี่ยจะได้เห็นสังเกตนะถ้าพวกเราสังเกตลงไปในความคิดของเราเนี่ยเราจะพบว่าเทียบเนาะวันแรกกับเมื่อวานเนาะกับเมื่อวันซื่นอย่างเงี้ยเราจะพบว่าความคิดของเราเนี่ยมันสั้นลง เรื่องที่เราเคยคิดในวันแรกเนี่ยมันไกลมากนะยิ่งวันนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยความคิดเรามันจะลดลงมาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นความคิดเหมือนกันเนี่ยก็ต่างกันตรงเนี้ยนี่เราจะสังเกตได้ด้วยอะไรเราก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยตรวจสติคือที่นี่เนาะ เ, เราจะมีก็เรียกว่าเจริญสติกันอย่างเดียวเนี่ยแต่พอเราใช้สติอย่างเดียวเนี่ย มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาหลายๆอย่างจากการเพียงแค่เห็นอย่างเดียวตรงนี้ละ่ะอย่างนี้คือนี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่านี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนาะได้บอกได้สอนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีท่านก็เคยผิดพลาดมาท่านก็เคยเสียเวลามาเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านบอกท่านสอนเนี่ยท่านจะบอกสอนอย่างที่ ตัดเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยทิ้งออกไปทั้งหมดเลยนั่นนั่นคือพอเวลาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าเราเนาะอย่าเพิ่งเอาเหตุเอาผลอย่าเพิ่งเอาถูกเอาผิดเนาะตรงเนี้ยเราจะพบว่าถ้าเราทำไปนะตามคําแนะนำเนี่ยเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้คอยดูความเป็นไปของกายกับใจด้วยสติเนี่ยตรงเนี้ยรับรองได้เลยว่าถ้าเราทาตามนี้เนาะ เราจะได้พบได้เห็นนะอย่างนั้นเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเริ่มทํากันเลยก็คือคอยดูนะคอยดูคอยดูและเครื่องมือที่จะใช้เปิดดูก็คือตัวสตินี่แหละอะไรองนี้ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามันจะทําให้เราได้เห็นอย่างถูกต้องเนาะในข้อแรกของอริยามรรี่พระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าดําเนินตามนี้เนี่ยความไม่ทุกเนี่ยต้องมีแน่นอนอะไรอย่างนี้ย นี่ก็คือความเห็นชอบความเห็นชอบก็จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้นะดัะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยหลวงพ่อเทียนก็จะบอกมาไว้รู้ซื่อๆนะจะแบบอย่างเนี้ยรู้ซื่อๆหลวงพ่อกำเขียนก็รู้ซื่อๆตรงนี้คําว่ารู้ซื่อๆเนี่ยหมายถึงว่าเราค่อยรู้ไปรู้ไปแต่ว่าเราเนี้ยเราสังเกตดูนะเวลาที่เราเนาะก็เรียกว่าสัมผัส สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราในสองสามวันที่ผ่านมาอุ้ยเดินแล้วเมื่อยพอเดินแล้วเมื่อยก็ดีนั่งยกมือก็ปวดเมื่อยไปหมดจะมปกรบปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยปฏิกิริยาที่เรารู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมันเป็นความไม่ชอบเมื่อมีความไม่ชอบเนี่ย มันก็เกิดความคิดขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาว่านี่มันปวดมันเมื่อยอะไรต่าง่านาน า, นานเหล่านี้จะพูดกับคนอื่นก็ดีหรือจะพูดกับตัวเองก็ดีเนี่ยคืนนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเกิดความชอบความไม่ชอบขึ้นมาบดบังบดบังความจริงที่เกิดขึ้นกับกายเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเนาะบอกว่าธรรมะธรรมทั้งปวงเนี่ย ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนคือไตรลักษ์ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าต้องเป็นโจทย์นะเป็นโจทย์ที่พวกเราเนี่ยต้องพิสูจน์กันไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากกว่านี้นะพิสูจน์เท่านี้เองคือพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่ า, วาทำทั้งปวงเนี่ยใช่ไหมนี่หละ่ะอยู่ในกฎของไตรลักษ์ทำทั้งปวงคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเรา อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราค่อยๆคล้ายๆมาค่อยมองเขาแล้วก็ดึงเอาความชอบความไม่ชอบเนี่ยออกไปไม่ใช่ว่าโอ๊ยแบบว่ารู้สึกตัวดีดๆอ่ตรงนี้กะบัาดีดีหรืออะไรต่างๆนาน า, นาอ่าก็เป็นเรื่องที่เราเข้ามาชอบอีกแล้วอย่างเนี้ยคือให้เรารู้สึกอืมรู้สึกตัวไม่ดีเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเนี้ยอา เราก็เอาความไม่ชอบเข้ามาบังอีกแล้วอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะเผลอไปคิดเผลอไปเอาเหตุเผลอไปเอาผลต่างๆคำว่าเผลอตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเรานะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เคยชินกับชีวิตของเราชีวิตของเราในทางโลกก็คุ้นเคยกับการเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดคุ้นเคยกับการคิดหาคาตอบกัน แต่ที่นี่เราจะปฏิบัติเพื่อหาคำตอบแล้วก็หาคำตอบของอะไรหาคำตอบว่าธรรมะที่เราได้พบได้เจอเนี่ยที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่ไตรลักษณ์หรือเปล่าไม่เที่ยงจริงไหมไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเราจะได้เห็นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นเท่านั้นเองเขารอให้เราเห็นอยู่ แต่ยังไม่เห็นเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปงานแต่งงานเนาะใช่ไหมแบบว่าอุ้ยเขาบอกให้เราไปหาใครสักคนหนึ่งในงานแต่งงานอย่างเงี้ยคนเป็นร้อยสองร้0 0สามออ่ะจะหาได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นจนมีรายละเอียดเนาะบอกเล่าเราวอ๋อเป็นคนผมสั้นผมงอกเป็นคนไอ้นั้นไอ้นี่แรงตันน้นๆเหล่านี้ละอาจจะค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตอ๋ท้ายสุดก็อ๋อคนนี้นี่เองอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ เราเนี่ยผ่านกัรเนาะเขาเรียกว่าดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยดูกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็คอยดูนะว่าในขณะที่เรากําลังเขาเรียกว่าตั้งใจปฏิบัติอยู่ตรงนี้เนี่ยคอยที่จะเอาใจมารับรู้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยใจเหมืนเผลอไปคิดนึกไหมเนาะการที่จะเห็นได้ว่าใจเนี่ยกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือเปล่า หรือว่าใจนะเผลอไปคิดนึกหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือสติแล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็เห็นได้จริงๆนะเผลอไปคิดใช่ไหมครับอย่างนั้นก็เห็ น, นแต่ว่าบางทีเราก็จะไม่ทันสังเกตนะนี่เราเผลอไปคิดเพราะว่าความคิดที่ผ่านมามันเป็นความคิดที่เราชอบใช่ไหมอย่างนั้นเผลอไปคิดหลงไปคิดแล้วเราก็ไหลไปกับความคิดอย่างเงี้ยโอ้คิดเป็นทั้งสองสเรื่องเอา้ารู้ตัวกลับมา คำารู้สึกตัวตรงนี้นั่นก็คือมีสติเนาะพาใจกลับมาอยู่กับกายอีกครั้งหนึ่งเนาะอย่างนี้ตรงนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นปฏิกริยาที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นได้เห็นสองสำมันนี้แหละตรงนี้กรรมฐานอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าปฏิบัติไม่ยุ่งยากแล้วเราจะเห็นเพียงแต่ว่าการใช้สติเนี่ยที่สําคัญก็คือ ถ้าเราไม่ละความชอบไม่ละความชังเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าสติก็ไม่ได้ใช้เพราะเป็นความชอบความชังใช้เราเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าให้เราได้เหมือนกับได้ฝึกเรามีความเคยชินที่จะชอบจะชังอันนั้นเป็นความเคยชินแต่เราการที่เราฝึกกลับมารู้ฝึกกลับมารู้หลวงพ่อเทียนบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจว่าคิดอะไรนะรู้ว่าคิดกลับมาก่อนรู้ว่าคิดกลับมาก่อน เราทำตรงนี้ให้เป็นความเคยชินให้เป็นนิสัยใหม่พอเราทำตรงนี้ให้เป็นความเคยชินให้เป็น น, นิสัยใหม่เนี่ยการสร้างเหตุแบบนี้เนาะจะทำให้ผลของเราเนี่ยนะผลก็คือคล้ายๆว่าเราจะค่อยๆหัดปล่อยหัดวางโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวโ <sque ak> ดยที่เราไม่รู้ตัวคือในคำสอนที่บอกบอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจมาคอยรับรู้เนี่ย ตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เรานำไปปฏิบัติเขาเรียกว่าเราจะสร้างเหตุอันนี้ก่อนแต่ส่วนผลที่ตามมาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ผลตื้นจนตทั้งผลลึกเนี่ย ต้งเรียกว่าผลตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งผลถึงบรรลัยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจากการทําเพียงเท่านี้นี่เองเ <c oughs> มื่อก่อนในชีวิตของเราเนะี่ยทำเรื่องหลายเรื่องนะครับต้องเบียดเบียนตัวเองหลายอย่างต้องซื้อรถซื้อเรือต้องทําผมใหม่ตัดเล็บใหม่ทาเล็บใหม่และเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อที่ว่าจะพัฒนาชีวิตแต่ว่าการพัฒนาชีวิตของเราที่นี่ภายใต้คําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยให้เราไม่ทุกเนี่ย มันจะไม่ทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นเพราะว่าเราทําเรื่องน้อยนิดเดียวนะครับเรื่องคอยดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยเอาใจมาคอยดูตรงนี้ละ่ะเท่านี้เองนะครับอย่างนั้นมีสติคอยดูความเป็นไปของกายมีสติคอยดูความเป็นไปของใจแค่นี้เองจริงจนะครับอย่างนั้นแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้เป็นนิสัยพอทำให้เป็นนิสัยเนี่ยนิสัยใหม่ของเราเนี่ยมันจะไปแทนที่นิสัยเก่า จะไปแตนที่ความเคยชินเก่าๆซึ่งความเคยชินของเก่าๆของเราเนี่ยมันจะเป็นความเคยชินในการเขาเรียกว่าเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดอะไรต่างๆนั้นแต่ว่าพอเวลาที่เราเนี่ยมีความเคยชินใหม่มีการใช้สติเนาะคอยดูแลความเป็นไปของกายคอยดูแลความเป็นไปของใจตรงเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนจะบอกว่าผลของการทําอย่างนี้นะกายเราจะปลอดภยัย ใจเราจะปลอดภัยแต่ที่สําคัญตรงนั้นก็คือผลของการทําแบบนี้เนี่ยกายของเราที่เราเคยใช้เขาเนาะทำนู่นทํานี่อยู่ทุกทุกวันเนี่ยหรือว่าใจเราเนี่ยที่เราเคยปล่อยให้เขาหลกระเหินคิดนู่นคิดนี่อยู่ทุกวันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคิดดีก็เกิดขึ้นทําดีก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการเนี่ยเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัว กลับมามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามีกลับมามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าการที่เราจะทำดีเนี่ยโอ้มีโอกาสเยอะมากๆเลยเนาะอย่างอธิเช่นสมมติว่าเราจะแปลงฝันเนาะอาจะพลีผามตามความเคยชินของเรานะใช่ไหมครับก็เข้าห้องน้าปุ๊บก็หยิบแรงสีฟันทันทีอย่างเงี้ยการหยิบครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการหยิบที่เกิดจากความเคยชิน แต่ไม่เป็นไรนะการรู้เป็นครั้งครั้งการรู้เป็นครั้งครั้งเนี่ยอย่างที่เราทำา14จังหวะกันรู้ทุกวินาทีรู้ทุกวินาทีเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสนะอ้อหยิบหลอดยาสีฟันเราก็ยังมีโอกาสใช้สตินะลืมไปกับการหยิบหลอดยาสีฟันนะไม่ได้ใช้สติเปิดหลอดยาสีฟันก็ยังใช้สติได้อีกยังมีโอกาสอีกนี่ก็เป็นครั้งใหม่ เปิดหลอดไม่เป็นไรลืมไปเอา้าก็ยังบีบหลอดได้อีกอย่างเงี้ยอย่างนั้นคือตรงเนี้ยการที่เรารู้เป็นครั้งครู้เป็นครั้งคเนี่ยมันจะช่วยซอยให้ชีวิตเราเนียมีโอกาสทำดีมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนโอกาสทำดีเนี่ยหลวงพ่อเองเลยนะเป็นคนนึกเองอยู่ในใจโอ้โ oh, หงานยุ่งอย่างงี้จะหาเวลาไหนทำดี <laughs> เราผ่านเวลาวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อยู่กับความหลงเนี่ยใช่ไหมเราไม่รู้จักนะครับว่าอโอกาสทำดีของเรานะมีทุกขณะครับมีทุกขณะก้าวนี้ลืมไปไม่เป็นไรก้าวต่อไปก็ทำดีได้อีกใช่ั้มครับอย่างเงี้ยอย่างนั้นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คือพะเวลาที่เราคุ้นเคยกับการที่จะคอยรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งครั้งครังเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญมากๆ เพราะว่านั่นคือมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำดีการที่เราเข้าวัดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสังเกตนะเรื่องอกุศลในชีวิตเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราอยู่นอกโลกบัตเนี่ยเรื่องอกุศลเรื่องกุศลเนี่ยมันปะปนกันไปหมดอย่างเงี้ยหลวงพ่อเพิ่งได้อ่านหนังสือหมอชาวบ้านเนเาะเาก็บอกว่ามีคุณหมอ คนหนึ่งที่คิดวิธีการลบลบเลือนลิ้วรอยบนใบหน้าโ ด, ว ย, วาดวยวิธีการฉีดโบท็อกนะฆ่าตัวตายครับก็ <c ười> เป็นคนหมอที่มีชื่อเสียงมากของอเมริกาแล้วก็ร่ำรวยมากด้วยอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้นคือแต่ว่าถามว่าความรู้ที่เขามีเนาะความรู้ที่เขามีเนี่ยเขาเอามาทำสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลกันอเงี้ย ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพอเวลาเราแยกแยๆอย่างเงี้ยนะบางทีกุศลกับอกุศลเนี่ยมันจําเป็นเราต้องไข้กวนนิดนึงยั้งนิดนึงอย่าเพิ่งทําตามอยากสมควรค่อยทําทอย่างเงี้ยคือถ้าเรายั้งนิดนึงเนี่ยสติจะมาช่วยเราเนอย่างเงี้ยคืออะไรก็ตามเนี่ยที่ยกตัวอย่างคุณหมอเนี่ยก็คือคุณหมอเนาะก็ร่ารวยนะคุณหมอมีลูกค้าเยอะแยะคุณหมอได้ตังค์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ท้ายสุดชีวิตของคุณหมอเนาะถึงทางตัน พอถึงทางตันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมาก็ฆ่าตัวตายผูกคอนะครับผูกคอตัวเองตายอริยมรรคครับคือทางทางเส้นนี้หลวงพ่อาก็เขียนบอกทางเส้นนี้ไม่ตันทางเส้นนี้เนี่จะเป็นทางตรงโล่งเนาะเนาะจากเริ่มต้นจากความทุกข์เนี่ยจะจบลงที่ความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ยนะชีวิตเราเนี่ย มีธรรมะแล้วเนี่ยชีวิตเรารับรองได้เลยจะมีเส้นทางที่สว่างสวัยตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางที่ช่วยชี้เราช่วยบอกเราปัญหาชีวิตของเราเนี่ยลองกลับมารู้สึกตัวอะไรที่เราเนี่ยเนาะอย่างหลวงพ่อเองนะเป็นคนคิดลำคาญเนาะเป็นคนคิดํำคาญไอ้นูน่นไอ้นี่เกิดขึ้นมาอยู่ในความคิดนั้ก็ลำคาญแล้ว ทำไมมันเกิดขึ้นมาอะไรอย่าง น, นะนี้นะเมื่อก่อนนะหาวิธีจัดการนะจะหาวิธีการจัดการเรื่องนอกตัวนะไปทํานู่นทํานี่เพื่อเบนความสนใจของความคิดก็ทำไม่ได้หรอกครับอยนะ่างนั้นแต่เมืพอเวลาที่เรามีเครื่องมือที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อเขียนบอกว่าง่ายกว่าตบยุงนะเพราะว่าถ้าตบยุงนะจะต้องมีอาการใช่ไหมครับอย่างนั้นยังต้องมีอาการท <laughs> <laughs> า ง, งากายแต่ว่าพอเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ย เป็นเพียงแค่อาการที่มีอยู่ในใจตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นตรงนี้เนาะใช่ไหมครับดี๋ยวนั้นในบทสวดเนาะจะมีการแยกระหว่างพระกับโยมเนาะก็จะมีการแยกระหว่างพระกับโยมทางพระก็บอกบอกว่าเป็นผู้มีศรัทธาออกบทจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วอะไรที่เราเคยทำแบบโลกโลกอะ่ะหยุดไปก่อน นะครับเรามาทําแบบทางธรรมดูนะครับเรามาทําแบบพระแบบครูบาอาจารย์ดูอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือคําว่าทำแบบโลกโลกก็คือทําตามความเคยชินที่เราเคยอยู่ทางโลกนะครับแต่ว่าพอทางนี้เนี่ยนะครับอะไรที่ไม่แน่ใจยั้งไว้ก่อนนะยั้งไม่นิดนึงนะครับอยากทําอย่าเพิ่งทําให้ความสมควรนําหน้าเราให้สตินําหน้าเราอย่าปล่อยให้กิเลสนําหน้าเราใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ สวดอยู่นะครับพระพุทธเจ้าผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยคือเพราะว่านั่นคือนี่แหละจากคําสอนที่บอกว่าอย่าอย่าทำตามอยากอยากนั่งอยา่อยาเพิ่งนั่งอยากลุกอย่าเพิ่งลุกอย่างเงี้ยนะครับให้สมควรทําค่อยทำเนี่ยถ้าเราทําแบบเนี้ยเราก็จะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสได้ง่ายๆไม่ยากนะครับอย่างนั้นแล้วก็ทํำนองเดียวกันเนี่ย <S <S 1> <S 1> <ๆ>การที่เรากลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งกลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งเนี่ย การกระทำครั้งใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นการกระทําที่นําด้วยสติไม่ใช่นําด้วยความอยากเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยบนเส้นทางเนี่ยที่เราเคยทึบเคยตันเคยวกๆ ว, ว, ว, วนๆเคยวุ่นวุ่ๆวายๆอยู่ต่างๆนานาแล้วเนี่ยจะเป็นทางโล่งนะที่ตรงไปถึงความไม่ถูกนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยเพียงแค่รู้สึกตัวเป็นครั้งๆรู้สึกตัวเป็นครั้งๆเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่ให้เราทำเป็นนิสัยนะและตรงนี้ละจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกการกระทำของเราเนี่ยเป็นการกระทำที่กุศลแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตของเราส่งผลให้คนร อ, อบข้างของเราเนี่ยไม่ทุกข์กันเนาะ่อพ <No. S 1> วกเรากลับพร้อมกัน